บทที่ห้าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นและตรัสความดับไปของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงมีวาทะเช่นนี้บาทคาถาว่าเยธรรมมาเหตตุปปภาวธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดหมายความว่าเบนจะขันชื่อว่ามีเหตุเป็นแดนเกิด พระเถระแสดงทุกขสตร์แก่อุปติสะนั้นด้วยคำนั้นบาทคาถาว่าเตสังเหตุงตถาคโตอาหะพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นหมายความว่าสมุทัยสัตว์ชื่อว่าเหตแห่งเบนจะขันนั้นพระเถระแสดงว่าพระตถาคตตรัสสมุทัยสัตว์นั้น บาทคาถาว่าเตสัญญาโยนิโรโทจะและตรัดความดับไปของธรรมเหล่านั้นหมายความว่าและพระตถาคตตรัดความดับคือความไม่เป็นไปของสัจจะทั้งสองนั้นพระเถระแสดงนิโรทศาสแก่อุปติสระนั้นด้วยคำนั้นส่วนมรรคศาสแม้มิได้แสดงไว้โดยตรงในคาถานี้ก็เป็นอันแสดงแล้วโดยใน ที่อนุมานรู้ได้เพราะเมื่อกล่าวถึงนิโรธก็เป็นอันกล่าวถึงมากที่เป็นเหตุให้ถึงนิโรธนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งในบาทคาถาว่าเตสัญญาโยนิโรโตโจะนี้พระเถระได้แสดงสัจจะทั้งสองอย่างนี้ว่าความดับและเหตุให้ถึงความดับสัจจะทั้งสองนั้นชนี้แหลท่านพระอัสชิที่ถูกถามว่า ศาสดาของท่านผู้เจริญมีวาทะอะไรได้ตอบว่าทาเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุของรมเหล่ า, ลานั้นและตรัสความดับไปของรมเหล่ า, ลานั้นพระมหาสมณะทรงมีวาทะเช่นนี้ดังนั้นจึงทราบได้ว่าเหตุของธรรมที่มีเหตุเป็นแดนเกิดชื่อว่าปฏิจจสมุบาท ท่านพระดีกาจารย์อ้างสีหานาสูตรในสังยุตตนิกายแล้วกล่าวถึงข้อความว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อมีเหตุนี้ผลนี้ย่อมมีได้เป็นต้นไปจนถึงข้อความว่าเอวะเมตสสะเกวะสสะทุกขะขันทัศนิโรโทโหติ ความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้แต่ข้อความดังกล่าวพบในมัชฌิมานิกายมหาตันหาสังคยสูตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอรรัศจริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งยิ่งคนทั่วไปรู้เห็นว่าลึกซึ้งแต่ถึงอย่างนั้น ก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชมเชยและตำหนิท่านพระอานนท์จึงตรัสคำว่ามาเหววังอย่ากลก่าวอย่างนั้นที่จริงแล้วปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งปรากฏว่าง่ายแก่พระเทระด้วยเหตุสีประการเหตุสีประการเป็นชะไหน คือด้วยความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยในพบก่อนการเรียนรู้จากครูผู้สอนเพราะความเป็นโสดาบันและความเป็นพหูสูตรข้าแต่พระมหาโมนีขอพระองค์โปรดรับอุทยานชื่อว่าโสภนะที่ข้าพระองค์ซื้อไว้ด้วยทรัพย์แสนหนึ่งสร้างไว้ด้วยทรัพย์แสนหนึ่ง เราได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้า 82,000 พระธรรมขันธ์จากภิกษุ2 0 0พพระธรรมขันธ์จึงรวมธรรมที่เราช่ำชองคล่องปากได้ 84,000 พันพระธรรมขันธ์ส่วนพระอ น, นุ์ดำรงอยู่ในการย่างเท้าก้าวเดียวได้ฟังครั้งหนึ่งแล้วมิได้ทูลถามอีกย่อมเรียนเอาคาถา 15,000 ันบท ที่มีบาทหกหมื่นโดยครู่เดียวเหมือนใช้เถาวันดึงดอกไม้เอาไว้เพราะเป็นผู้มีปัญญามากอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าคำพีโรจายังอนันทปฏิจจาสมุปปาโทคำพีราวะพาโสอานอนท์ก็แลปฏิจจะสมุปบาทนี้เป็นธรรมลุ่มลึก และปรากฏว่าเป็นธรรมลุ่มลึกโดยหมายเอาความลึกซึ้งโดยผลเหตุการอธิบายและการแทงตลอดดังนั้นจึงควรทราบภวะจากนั้นโดยประเภทแห่งความลุ่มลึกตามสมควรอีกด้วยดูกระร้าอโนนหมู่สัตว์นี้เป็นเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งเป็นเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ย่อมไม่ผ่านพ้นอบายอันเป็นที่ดําเนินไปแห่งทุกข์อันปราศจากสุขและสังสารวัฏเราอยู่ในภายในและภายนอกของสัตว์โลกทั้งมวลไม่เปลี่ยนแปลเหมือนอากาศมีรูปร่างเสมอเหมือนกับสพัพพสัตวเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนไร้มนทิน คงที่ไม่วันไว้